บทภาชณีตีกปาป nee าจิตีหนึลล่ผ้าที่ยังไม่สละภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่สละใช้ต้องอบัตปาจิตีผ้าที่ยังไม่สละภิกษุณีไม่แน่ใจใช้ต้องอบัตปาจิตีผ้าที่ยังไม่สละภิกษุณีสําคัญว่าสละแล้วใช้ต้องอบัตปาจิตีทุกๆุกกฏผ้าที่สละแล้วภิกษุณีสําคัญว่ายังไม่สละ ใช้ต้องอบัตทุกกฎผ้าที่สละแล้วภิกษุณีสงสัยใช้ต้องอบัตทุกกฎผ้าที่สละแล้วภิกษุณีสําคัญว่าสละแล้วใช้ไม่ต้องอบัต